ใจยังโดนตัดแปลงนิดนึงเกินจริงรู้สึกไหมครับจะรู้สึกอย่ยเม่เช้ารู้สึกว่ามันสบายก็เลยเอ๊มันสบายใจมันมันเกินจริงไปหน่อยครับครับคือน้ำฝนครับน้ำมาสการหลวงพ่อครับเมื่อวานก็พยายาม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 กิเลสนะพอคัดละเอียดยิ่งถึงสังโยชน์เบื้องปลายนะแต่ละตัวหน้าตาเหมือนกุศลนะีอย่างรูปปาราฆะอรูปปาราคะนะเหมือนกุศลเลยจิตใจรักความสงบอ่ะเห็นไม่ใช่รักกามนะจิตใจรักความสงบก็ดูดีใช่ไหมบางคนแต่งเพลงนะไทยนี่รักสงบแล้วมีรูปปาราฆะอรูปปาราคะดูไม่ออกหรือว่าอาวิชานะ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 เวลาพอรู้ตัวในดูมันชอบวับเข้ามาเข้ามาจ้องอะฮะแล้วมันก็รู้ว่าเอ๊นี่จ้องอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ปล่อยมันก็ใช้ได้นะครับโลภะเกิดก่อนอยากปฏิบัติก็เกิดการกระทำกรรมคือการจ้องก็เกิดมิบากใจก็แน่นแน่นขึ้นมาไม่โปร่งโล่งเบาอึดอัดมันก็ชอบรับ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 ตรวจการบ้านมาตลอดสายเลไม่มีเวลาว่างอะ่ะ <c oughs> ไล่มา้แต่หวัวสะพานไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงของบอกของไม่ทาอะไรมาของจิตออกนอกมองเห็นไหมจิตถล่มไปไม่ตั้งมั่นอะ่ะของไม่เห็นไม่เห็นถามว่าไปภาวนาอีท่าไหนมาไปทําสมาธิบอกสังเกตไหมตอนที่ทําสมาธิเนี่ยจิตมันเคลื่อนเข้าไป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 หัดตามรู้ตามดูเรื่อยๆแล้วมันเห็นเองนะไม่เอาหน้าอย่าเที่ยวสังเกตไปอีกเสียเวลาชื่ออะไรลืมอีกล่ะอัศนีค่ะชื่อเลยกยากจำยากนะคิดว่ายังมีการกระทำอยู่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่อยรู้เรื่อยๆดีแล้วทำอยู่ก็รู้ว่าทำอยู่ะนะคุณบางออนเป็นน้ำเกิงใจไหลไปแล้วนะ